วิธีคิดแบบที่7วิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมหรือการพิจารณาเกี่ยวกับปฏิเสวนาคือการใช้สอยหรือบริโภคเป็นวิธีคิดแบบสกัดหรือบรรเทาตัญหาเป็นขั้นฝึกหัดขัดกรอกิเลสหรือตัดทางไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงาจิตใจ แล้วจากจูงพฤติกรรมต่อๆไปวิธีคิดแบบนี้ใช้มากในชีวิตประจำวันเพราะเกี่ยวข้องกับการบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่และวัสดุอุปกรณ์อํานวยความสะดวกต่างๆมีหลักการโดยย่อว่าคนเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆเพราะเรามีความต้องการและเห็นว่าสิ่งนั้นๆจะสนองความต้องการของเราได้สิ่งใดสามารถสนองความต้องการของเราได้ สิ่งนั้นก็มีคุณค่าแก่เราหรือที่เรานิยมเรียกว่ามันนีประโยชน์คุณค่านี้จำแนกได้เป็นสองประเภทตามชนิดของความต้องการคือ 1. คุณค่าแท้หมายถึงความหมายคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายในแง่ที่สนองความต้องการของชีวิตโดยตรงหรือที่มนุษย์นำมาใช้แก้ปัญหาของตน เพื่อความดีงามความเดํมรงอยู่ด้วยดีของชีวิตหรือเพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนเองและผู้อื่นคุณค่าแท้นี้อาศัยปัญญาเป็นเครื่องตีค่าหรือวัดราคาจะเรียกว่าคุณค่าสนองปัญญาก็ได้เช่นอาหารมีคุณค่าอยู่ที่ประโยชน์สำหรับหล่อเลี้ยงร่างกายให้ชีวิตเดํมรงอยู่ได้มีสุขภาพดีเป็นอยู่ผาสุข มีกำลังเกื้อกูลแก่การบำเพญ็ญกิจหน้าที่รถยนต์ช่วยให้เดินทางได้รวดเร็วเกื้อกูลแก่การปฏิบัติหน้าที่การงานความเป็นอยู่และปฏิบัติการทั้งหลายในงานบำเพ็ญประโยชน์สุขควรมุ่งเอาความสะดวกปลอดภัยแข็งแรงทนทานเป็นต้น 2. คุณค่าพอกเสริม หรือคุณค่าเทียมหมายถึงความหมายคุณค่าหรือประโยชน์ของสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์พอกเพิ่มให้แก่สิ่งนั้นเพื่อปรนเตร์การเสพสวยเวทนาหรือเพื่อเสริมราคาเสริมขยายความมั่นคงยิ่งใหญ่ของตัวตนที่ยึดถือไว้คุณค่าเทียมนี้อาศัยตันหาเป็นเครื่องตีค่าหรือวัดราคาจะเรียกว่าคุณค่าสนองตันหาก็ได้ เช่นอาหารมีคุณค่าอยู่ที่ความ อ, ร, อร่อยเสริมความสนุกสนานเป็นเครื่องแสดงฐานะความโก้ช่วยให้ดูหรูหรารถยนต์เป็นเครื่องวัฒนธรรมแสดงความโก้ความมั่งมีมุ่งเอาความสวยงามและความเด่นเป็นต้นวิธีคิดแบบนี้ใช้พิจารณาในการเข้าเกี่ยวข้องปฏิบั ต, ติต่อสิ่งทั้งหลายได้ทั่ ว, วไป ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคใช้สอยการซื้อหาหรือการครอบครองโดยมุ่งให้เข้าใจและเลือกเสพคุณค่าแท้ที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนและผู้อื่นคุณค่าแท้นี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตอย่างแท้จริงแล้วยังเกือ้อกูลแก่ความเจริญงอก ง, งามของกุศ ล, ลธรรมเช่นความมีสติเป็นต้น ทำให้พ้นจากความเป็นาธาตุของวัตถุเพราะเป็นการเกี่ยวข้องด้วยปัญญาและมีขอบเขตอันเหมาะสมมีความพอเหมาะพอดีต่างจากคุณค่าพอกเสริมด้วยตัณหาซึ่งไม่ค่อยเกื้อกูลแก่ชีวิตบางทีเป็นอันตรายแก่ชีวิตทำให้อกุศลธรรมเช่นความโลภความมัวเมาความริษยามานะทิฐิตลอดจนการยกตนข่มผู้อื่นจเจริญขึ้น ไม่มีขอบเขตและเป็นไปเพื่อการแก่งแย่งเบียดเบียนตัวอย่างเช่นอาหารที่กินด้วยปัญญาเพื่อคุณค่าแท้มื้อหนึ่งราคา10 บ, บาทอาจมีคุณค่าแก่ชีวิตร่างกายมากกว่าอาหารมื้อเดียวราคา 1,000 บาทที่กินด้วยตัณหาเพื่อเสริมราคาของตัวตนหรือสักวาสนองความอยากและหนำซ้ำอาจเป็นอันตรายแก่ร่างกาย ภิกษุพิจารณาโดยแยกไข่จึงใช้จีวรเพียงเพื่อกําจัดหนาวร้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อปกปิดอวัยวะที่ควรละอายภิกษุพิจารณาโดยแยกไข่จึงชั้นบินทบาตมีใช่เพื่อสนุกสนานมีใช่เพื่อมัวเมามีใช่เพื่ออวดโอมีใช่เพื่อโกรูเพียงเพื่อความดํารงอยู่แห่งร่างกาย เพื่ อ, อยัางชีวิตเพื่อแก้กันความหิวโหวยขาดอาหารอันจะทำให้เดือดร้อนเพื่ออนุเคราะห์พระมจร์ด้วยคิดว่าเราจะกำจัดเวทนาเก่าและไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นเราจะมีชีวิตดำเนินไปพร้อมทั้งความไม่เป็นโทษและความอยู่พาสุขภิกษุพิจารณาโดยแยบคายจึงเสพเสนาสนะ เพียงเพื่อกําจัดหนาวร้อนสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานเพียงเพื่อบรรเทาอันตรายจากฤดูการเพื่อได้ความรื่นรมในการหลีกเร้นภิกษุพิจารณาโดยแยบคายจึงเสกยาวรักษาโรคและเครื่องประกอบอันเป็นปัจจัยสําหรับคนไข้เพียงเพื่อกําจัดเวทนาทั้งหลายเนื่องจากอาพาธต่างๆซึ่งเกิดขึ้นแล้วเพื่อความเป็นผู้ไม่มีอาพาธเบียดเบียนเป็นอย่างยิ่ง อุตโพธจากมัชฌิม น, นิกายมูลปัญนาตและขุตกานิกายมหานิเทศดูประกอบที่ทีคนนิกายปาติกววั์ที่กล่าวถึงบ่อยที่สุดก็คือการพิจารณาในการบริโภคอาหารซึ่งเมื่อปฏิบัติอย่างนี้จะชื่อว่าเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารคือโมชนมัตตันยุตตาหรือเป็นการบรรเทารสตัณหา พึงสังเกตว่าคำว่าพิจารณาโดยแยบคายในกรณีนี้ใช้โยนิโสปฏิสังขาแต่ก็มีความหมายอยู่ในขอบเขตของโยนิโสมนสิการตามหลักในมัชิมานิกายมุลปั น, นาสและที่เห็นได้ชัดถึงการใช้คำโยนิโสปฏิสังขากับโยนิโสมนสิการแทนกันความจริงสังภาสวะสังวรสูตรเป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับแสดงขอบเขตความหมายของโยนิโสมนาสิการและมีสูตรคล้ายกันที่อังคุตรนิการฉากานิบาท